บุ am, ๊ k ทูสี่สิปกิจกรรมระหว่างการพักร้อนหาดทรายสะอาดไหมเล่นน้ำที่น e ั่นได้ไหม การไม่ส s w e m เล่นน้าที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Is d i t gevaarlijk om hier te swim? s w e m ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ Kan jij een b r e l hier? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ Kan jij een ligstoel hier? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ k a n j you afford here? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น k a i l g r a a g b r d a roller? ดิฉันอยากดำน้ำ k a i l g r a a g d u i k e ดิฉันอยากเล่นสกีน้ำ Can you afford water ski? ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Can b r i n t e plank h e r ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ Can u i to sting h e r ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ Can water s k i e r ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด เอกิส์ไม่ใช่ผู้รดิฉันพอเล่นได้เอกิสมีรูมอร์ติชดดิฉันเล่นได้ดีมากเอกิส์ดีกัสกีลิฟอยู่ที่ไหนวอร์สกีไฮเซอร์คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า เหตุอีสกีคุณมีรองเท้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหมเหตุอีสกีบู